มเมื่อถึงวันพระนะพวกเราชาวพุทธกน็นิยมมาวัดนะหรืยเงถ้าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาอย่างเช่นวันมาฆบูชาคือวันนี้นะนะผู้คนก็มาวัดกันมากขึ้นนะสาราหน้านี้กนะ็มีคนมาวัดกันทับข้างเลย มาเพื่ออะไรนะเพื่อมาทําบุญและที่จริงเนี่ยหลายคนก็เชื่อว่าเนี่ยถ้าเป็นวันพระหรือเป็นวันที่สําคัญมาทําบุญก็จะได้บุญมากนะที่จริงมาทําบุญวันไหนเนี่ยจะเป็นวันธรรมดาหรือเป็นวันพระมันก็ได้บุญเท่ากันนั่นแหละโดยเพราะถ้าเกิดว่าวางใจนะให้เป็นกุศลระหว่างที่มาวัด ระหว่างที่ใส่บาตรนะใจก็อยู่กับปัจจุบันน้อมจิตให้เราลึกถึงจาระคือการบริจาคหรือการสละจิตเมเป็นกุศล น, นะแต่ว่าถ้ามาว่าละใจนี่ไปอยู่ที่บ้านนะพอห่วงลูกหรือไปอยู่ที่โรงพยบาบาลเพราะว่าพ่อแม่ป่วย หรือประโยชน์ที่ทำงานเลือกส่วนไรนาเพราะเป็นห่วงงานการแบบนี้มันก็ได้บุญน้อยนะเพราะว่าจิตไม่ค่อยเป็นกุศลเท่าไหร่ตัวอยู่วัดในี่ใจก็ต้องอยู่วัดด้วยนะแล้วขณะที่กาลังใส่บาตใจก็น้อมอยู่กับการใส่บาต แต่ที่จริงเรามาว่านี่เราไม่ใช่แค่มาทําบุญด้วยการใส่บาตรหรือถวายสังฆทานอย่างเดียวเรามาฟังธรรมด้วยนะอันนี้ก็ยิ่งได้บุญเพราะว่าทําให้ใจนี่ได้น้อมรับเอาสิ่งที่เป็นธรรมะเป็นสัจธรรมความจริงช่วยทําให้มีความเห็นที่ถูกต้องมีความเห็นตรงและยิ่งถ้าเรามาวัดในวันมาคบูชาไนงะ มันก็ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นนะก็คือได้ฟังได้ย้อนระลึกนึกถึงคำสอนที่สำคัญของพระพุทธองค์ธรรมาวันธรรมดาอาจจะไม่ได้หัวระลึกนึกถึงคำสอนที่สำคัญของพระพุทธองค์ก็ได้และคำสอนที่ว่านี่นนเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราฟังแล้วใจอยู่กับ ข้อธรรมที่ได้ยินไม่ใช่ว่าหูฟังแต่ใจไม่รู้อยู่ที่ไหนแบบนี้ก็เรียกว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่ได้ไประโยชน์นะขุสามาวัตแล้วเสียเวลาแล้วแต่ว่าไม่ได้น้อมใจให้สงบมีสติโยกันฟังธรรมนี่พอเราฟังธรรมแล้วเนี่ยด้วยใจที่สงบจิตมีสตินะก็เกิดปัญญาขึ้นมาได้ นะเกิดสัมมาทิฏฐิโดยเพพาะทมที่พระเจ้าทรงสแสดงเนี่ยในวันที่เราเรียกต่อมาว่าวันมาคาบูชาเนี่ยอันนี้มีคุณค่ามากทีเดียวนะพระเจ้าสอนอะไรนะในวันมาคาบูชาหรือวันที่เราเรียกในภายหลังว่ามาคบูชาทีนี้พระองค์ก็สอนไม่มากนะมีสามข้อเนี่ยที่เป็นเรื่องหลัก นะการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ขาวรอบหรือว่าสะอาดบริสุทธิ์สว่างสวัยเนี่ยมีสามข้อแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจำได้แค่สองข้อนะเรียกสั้นๆว่าละชั่วทำดีจริงๆละชั่วนี่ก็ยังไม่ถูกนะ ต้องเรียกว่าเว้นชั่วนะละชั่วนี่หมายว่าเคยทำชั่วแล้วก็ละะเหมือนกับเราเคยมีสิ่งสกปรกตามเนื้อตามตัวแล้วก็ล้างให้สะอาดนะอันนี้เรียกว่าละชั่วคือมีอยู่แล้วนะแต่ว่าเราสละหรือสลัดทิ้งไปหรือชำระนะออกไปแต่ใจดีนั่นต้องเว้นชั่วนะ เปนชั่คือไม่แตะต้องเลยเนี่ยแต่ว่าถ้าเคยแตะต้องเคยเกี่ยวข้องก็ก็ยังดีที่รู้จักละอันนี้เว็นชั่วแล้วหรือละชั่วแล้วทำดีแล้วพอมัมยังไม่พอนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอเรามาลึกถึงคำสอนพระเจ้าเนี่ยมีคนมาถามว่าพูะเจ้าสอนอะไรอาจจะเป็นคนต่างชาติอาจจะเป็นฝ ร, รั่ง มาถามเราอาจจะเป็นคนต่างาศาสนาอยากรู้หลายคนก็จะตอบว่าพุทธเจ้าสอนว่าให้ละชั่วทำดีอันนี้เรียกว่าพูดติด ป, ปากเพราะว่าเข้าใจอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วนี่แค่เว้นชั่วหรือละชั่วทำดีมันยังไม่พอนะาศาสนาอื่น ก, ก็สอนอย่างนี้แหละ หรือถึงแม้จะไม่ใช่ศาสนาอาจจะเป็นปรัชญาที่สอนให้คนมีคุณธรรมเช่นของจื๊อนีของจื๊อนี่ก็เป็นปรัชญาเป็นคําสอนในประเทศจีนนเขาไม่เรียกว่าศาสนาก็สอนเหมือนกันคล้ายๆกันหัวใจคือว่าให้เว้นชั่วทําดีทําดีนี่ก็หมายถึงความเอื้อเฟอื้เอเผื่อแผ่ความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรูปคุณนะก็ขยายนะจำแนกแจกแจงไปมีมากมายแต่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยนะแตกต่างจากศาสนาอื่นเพราะว่าท่านสอนข้อที่สมด้วยนะให้ทำจิตให้ผ่องใสนะเพราะว่าคนเราเนี่ยแม้ว่าเว้นชั่วทำดีแล้วก็ยังมีความทุกข์นะ งอยู่นะเว้นชั่วทำดีก็ทำให้ความทุกข์มันลดน้อยถอยลงนะคนที่ไม่ทำดีคนที่ทำแต่ความชั่วเนี่ยสมมติมีความทุกข์ร้อยเปอร์เซ็นต์คนที่เว้นชั่วหรือละชั่วทำดีเนี่ยความทุกข์มันก็จะหายไป 80-90% ซนะแค่งดกินเหล้าอย่างเดียวนี่ก็ลดปัญหาลดความทุกข์ลดความเดือดร้อนไปได้เยอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเจ็บป่วยการเป็นหนี้สินหรือว่าการทะเลาะเ บ, บาแวงกับคนในครอบครัวครอบครัวแตกแยกมีเรื่องเล่าฉานกับเพื่อนบ้านหรือว่าเกิดอบัติเหตุขับรถเมามายปนปัญหาวนี้ตัดทิ้งไม่ได้เลยนะสำหรับคนที่รักษาสีข้อ5อย่างเคร่งครัด แล้วถ้ารักษาครบนะทั้ง5ข้อเนี่ยความทุกข์ผก็จะหายไปความเหนือแร้อก็จะหายไปเนะี่ยแตแต่มันยังเหลืออยู่นะักสหรือ 20% เนะ่แม้จะเว้นชั่วทำดีแล้วเพราะว่ายังต้องเจอความเจ็บความป่วยนะทำดีแค่ไหนก็ต้องเจ็บต้องป่วยแม้แต่เป็นพระอรหันต์หรือแม้แต่พระเจ้าเจ้านี่ก็ทรงอาภาตหนักนะ ในช่วงท้ายๆของพระชนชีพพาาาระอรหันต์หลายท่านก็เจ็บป่วยได้โรคร้ายลงมะเร็งนะหรือว่าโรคติดเชื้อนะอาิวาสมัยก่อนยังไม่มียาวัคซีนป้องกันก็ติดได้ไข้าทรารพิษไข้ปา่ามาลาเรียโมาละหนาผากกันเพราะโรคนี้เยอะนะไม่ใช่แค่ป่วยอย่างเดียวป่วยแล้วนี่ ก็ยังต้องเจอความพัดภาาสูญเสียไม่ใช่แค่พ่อแม่เสียชีวิตปู่ย่าตายายจากไปแต่บางทีก็เป็นคู่ครองหรือเป็นคนรักเช่นลูกเช่นหลานมิตรสหายไม่มีใครที่ไม่สูญเสียคนรักนะแม้จะทำดีแค่ไหนสูญเสียทรัพย์นะถูกกงบางทีน้ำท่วมแผ่นดินไหว หรือว่าไฟไหม้นะนะทำดีก็ต้องเจอนะไม่ใช่ว่าขนชัวน่วทันทีเจอเั่องนี้แหละที่เราเรียกว่าทุกข์นะไม่ต้องพูดถึงความตายเพราะทุกคนก็ตายกันทั้งนั้นใ น, นขณะที่ยังต้องเจอกับความเจ็บความป่วยความแก่นะซึ่งก็ไม่มีใครหนีพ้นและความพัดพรากจากของรักสูญเสียคนรัก แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักฝึกใจนะนะฝึกใจให้มีสติให้มีปัญญาโดยเพราะการเห็นว่าอะไรแล้วก็ไม่เที่ยงนะซึมซับรับสัจธรรมความจริงว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นอายุของเราไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติของเราคนรักของเราพวกนี้ล้วนแต่ไม่เที่ยง ล้มแต่แปลเปลี่ยนไปจากดีเป็นร้ายนะจากมีกลายเป็นไม่มีและที่จริงเนี่ยที่ทุกเนี่ยนะมันไม่ใช่เพราะสูญเสียหรือเขาจากไปนะแต่เป็นเพราะไปยึดว่าเป็นของเรานะนอกจากหมองว่าไม่เที่ยงแล้วนะไอ้ที่สาำคัญคือไปยึดว่าถ้ายัางยึดว่าเป็นของเราของเรานี่มันก็ยังต้องทุกข์อยู่นั่นอยู่ร่ําไปอ่านะ เป็นพยึดว่ามันเที่ยงและเป็นพยุยว่เป็นของเราทรัพย์ของเราร่างกายของเราลูกเมียของเราพวกนี้ไม่ใช่ของเราเลยแม้แต่น้อยแม้แต่ร่างกายนี่ก็ไม่ใช่ของเราพ่อแม่ให้มาแต่ว่าอย่างนั้นก็ยังไม่ถูกนะเรียกว่าธรรมชาติให้มาดีกว่าทรัพย์สมบัติที่ว่าเป็นของเราก็เป็นสมมตินะ สมมุติตามกฎหมายสมมุติตามวัฒนธรรมที่ยอมรับกันแต่มันก็รับรู้กันเฉพาะคนในกลุ่มในพวกพ้องแต่ว่าแม้แต่มดแม้แต่มแมลงมันก็ไม่ได้สนใจว่าเป็นของเราน้ำตาลนี่วางไว้เนี่ยติดป้ายว่าว่าน้าตาลเนี่ยขวดน้ำตาลนี่เป็นของชั้นนะเป็นของนายกอเป็นของนายขอเป็นของพระาภัยสาร แต่มดนีมันไม่สนใจนะมันไม่รับรู้ด้วยนะว่าเป็นของใครนะมันก็มาจัดการนะมาขนเราไปเนสะื้อผ้าติดป้ายว่าเป็นของเราหรือถึงไม่ติดป้ายก็รู้กันเป็นของใครแต่นกหรือว่าหนูมันไม่สนใจมันก็มาเอามากัดมาแทะนะนี่เรียกว่ามันเป็นสมมุตินะของเราเนี่ยแต่ว่า ธรรมชาตินะสัตว์นานาชนิดเขาไม่ได้รู้ด้วยว่าเป็นของเราเพราะอะไรเพราะมันเป็นของธรรมชาติถึงเวลาธรรมชาติก็เอาคืนไปน้ำท่วมมงฝนแรงบ้างหรือว่าไฟไหม้บ้างหรือไม่ก็ความชื้นนะมันก็ค่อยๆยย่อยสลายนะแม้แต่เหล็กมันก็ยังกลายเป็นสนิมนะเพราะธรรมชาตินะเอาไป นั่นถ้าเราเห็นความจริงตรงนี้เนี่ยนะมันก็ทําให้มีความทุกข์น้อยลงนะรู้จักไปรู้จักวางมากขึ้นอันนี้แหละคือความหมายหนึ่งของการทําจิตให้สดใสชําระจิตให้สว่างสวัยผ่องใสคือมีปัญญาชําระความหลงออกไปนะชําระอุปาทานหรือตัณหาออกไปนะอันนี้คือคําสอนที่สําคัญนะที่เราชาวพุทธควรจะรู้เไว้ หือถึงแม้ยังไม่มีปัญญาเห็นสัจธรรมแต่ให้มีสติเอาไว้เวลามันมีความเศร้าวความโศกความโกรธความเครียดความโูนมีสติรู้ทันไม่ปล่อยให้มันคลองใจโกรธเกิดขึ้นแต่ใจไม่ทุกเกลียดเกิดขึ้นแต่ใจไม่ทุ ก, ก, เ, ก, ทกเพราะไม่มีความสําคัญบ้านหมายว่าฉันโกรธฉันเกลียดนะเรียกว่าหลวงพ่ อ, อคำเขียนเรียกว่าเห็นไม่เข้าไปเป็น นะเห็นความโกรธแต่ไม่เป็นผู้โกรธเห็นความเกลียดไม่เป็นผู้เกลียดเห็นความเครียดไม่เป็นผู้เครียดเห็นความเศร้าไม่เป็นผู้เศร้าเนี่ ย, ยอันนี้ก็ช่วยรักษาใจได้ก็ทำให้มีความทุกข์น้อยลงเรามีผิวหนังคอยรักษากายไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาเราก็ต้องมีธรรมะรักษาใจไม่ให้ความทุกข์เข้ามาครอบงาใจเราได้นะั้นถ้าเราฝึกใจไว้เนี่ย มันก็ทําให้ความทุกข์มันน้อยลงจนถึงขั้นไม่เหลือทุกข์เลยอย่างพระราหานี่ท่านความทุกข์ท่านเป็นศูนยะ์ะอันนี้เพราะว่าท่านได้ฝึกจิตจนกระทั่งมีปัญญาแก่กล้าเห็นแจ้งในสัจธรรมพวกเราถึงแม้จะทําไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็สามารถจะเดินตามรอยท่านได้ตามรอยพระพุทธเจ้าความทุกข์ก็จะลดลงนะเพราะนั้นเนี่ยให้เมื่อเรามาวัด เนื่องในวันมาค้าบูชาแล้วก็คอยได้ฟังได้เข้าใจได้ระลึกนึกถึงนะคำสอนของพระเจ้าอย่างครบถ้วนนะไม่ใช่แค่เว้นชั่วทำดีแต่ว่าทำจิตให้ผ่องใสแล้วก็สว่างนะแล้วก็สงบด้วย